จึงต้องหนีจากหมูขึ้นมาอยู่บนเขาขอท่านจงช่วยบอกอุบายให้ด้วยตอบว่าการเพ่งโทษคนอื่นนั้นสำคัญนักเพราะขาดเมตตากรุณาเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนและคนอื่นสมด้วยพระพุทธภาสิทธว่าปราวัชานุปัสสิสะ เมื่อบุคคลมักตามมองดูซึ่งโทษของผู้อื่นนิจจังอุชาณะสั ญ, ญโนเป็นผู้มีความหมายจะยกโทษอยู่เป็นนิดอาสวะตัสสะวัฏทันติอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญขึ้นแก่บุคคลนั้นอาราโศอาสวัคยาบุคคลนั้นเป็นผู้ห่างไกลจากธรรมะเป็นที่สิ้นอาสวะ เพราะฉะนั้นควรทำในใจให้แยกออกไปเป็นอริยสัตว์สี่ส่วนบุคคลนั้นต้องทำความเห็นว่าขันห้าหรืออายตนะหกเป็นประเภททุกขสัตว์คือทุกขสัจจะความประพฤติ ช, ชั่วด้วยกายวาจาใจของบุคคลนั้นเป็นสมุทยัยเพราะเขาไม่ได้เจริญมกักจึงไม่ถึงนิโรธ เพราะฉะนั้นถ้าไม่ชอบหรือเพ่งโทษว่าไม่ดีก็ต้องเพ่งส่วนสมูทยัยส่วนคนนั้นเป็นขันห้าหรืออายตนะหกกลับจะน่าสงสารเพราะความทำผิดเช่นนั้นเป็นส่วนสมูทัยให้ทำเพราะผู้ที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติก็มีอริยสัจสองขันห้าอายตนะหกนั้นเป็นทุกขสัจ กิเลดความอยากนั้นเป็นสมุทยัยจึงได้ประพฤติกายทุจริตวาจีทุจริตมนโนทุจริตเหมือนเท้ารคที่ไม่รู้จักไฟจึงได้จับเพราะไม่ทราบว่าร้อนส่วนผู้ใหญ่เขาไม่จับเพราะเขาทราบว่าร้อนข้อนี้ฉันใดผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติก็ฉันนั้นผู้ถามกล่าวว่า ถ้าเช่นนั้นผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติมีอริยสัจสองคือทุกข์กับสมุทยัยเวลาที่เราเข้าไปเพ่งโทษขันห้าอายตนะหกของเราเป็นทุกข์กษัตริย์การเพ่งโทษเขานั้นเป็นสมุทยัยเวลานั้นเรากับเขาก็ไม่แปลกอะไรกันเพราะมีแต่ทุกข์กับสมุทัยสองอย่างเท่านั้น ตอบว่าถูกแล้วถ้ามีทำความเห็นให้เป็นอริย ส, สัตวสีก็ยากที่จะหายจากใจที่เพ่งโทษคนอื่นถามว่าถ้าเช่นนั้นพระเสขะอุคคนทั้งหลายผู้ทมกิจของอริยสัตวสี่ท่านคงไม่มีความเพ่งโทษผู้อื่นกระมังตอบว่าแน่ทีเดียว ข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระเศขาบุคคลทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปย่อมไม่เพ่งโทษคนอื่นจึงพ้นจากความเบียดเบียนเพราะพ้นจากความเบียดเบียนจึงพ้นจากบาปเพราะพ้นจากบาปจึงพ้นจากทุกขติเพราะพ้นจากความทุกขติคือได้ทํากิจของอริยสัจสี่ท่านจึงไม่มีความเพ่งโทษใค ร, ใคร อาสวะทั้งหลายจึงไม่เจริญขึ้นถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายจนเป็นพระอาเสขอุคคลคือพระอระหันต